มีเสียงรบกวนนิดนึงเนาะแต่ก็คงไม่เป็นไรก็แยกเอาเสียงคนกับเสียงเครื่องจริงถ้าเราไม่ตั้งจิตไปรำคาญมันมันก็มันก็เป็นสักแต่ว่าเสียงนะเสียงอย่างอื่นมันก็เป็นสักแต่ว่าเสียงมันอยู่ที่จิตของเราเนี่ยแหละที่เราไปชอบไปไม่ชอบนะ ไฟรำคาญหรือว่าเฉยเฉยนะเนะี่ยเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเนะี่ยเราเราก็แยกตรงนี้เอานะถ้าเราแยกตรงนี้ได้ต่อไปเราก็ไปแยกอย่างอื่นนะบางทีคนชมเราคนว่าเราเนะี <c> ่ย <oughs> ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เขาชมชมจริงหรือชมยอเนะี่ย สิ่ที่เขาว่านะเราผิดจริงหรือว่ามันไม่ผิดจริงเนี่ยนะเราก็ไม่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปทุกข์หรือสุขตามตามคำพูดของคนอื่นนะแต่ถ้าเราดูตัวนะว่าเราทําถูกหรือทําผิดนะสิ่งที่เขาเตือนถ้ามันถูกเออก็ขอบคุณเอาไปแก้ไขสิ่งที่เขาชมนะ ถ้ามันใช่อ่ะก็ขอบคุณแต่ก็ไม่หลงตัวดืมตนเหมือนกันอันนี้คือเสียงเนาะแต่เมื่อกี้นี่เราสวดมงคลพระสูตรนี่ก็เป็นบทเป็นบทพระสูตรที่ดีมากเนละดีมากๆบทหนึ่งเพราะว่าเป็นบทที่พระพุทธเจ้ า, าท่านแจกแจงให้เราเข้าใจง่ายๆเลยนะเทวดานะครัเนี่ย สิ่งอะไรที่เป็นวงคลสิ่งที่เป็นประเสริฐนะของเทวดาและมนุษย์ที่พึงจะปฏิบัติหรือพึงมีเนาะพระเจ้าก็แจกแจงเลยสามสิบแปดประการสามสิบแปดข้อนะให้เราได้เห็นง่ายๆเลยว่าเออเนี่ยสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะเนี่ยยิ่งถ้าเราทำได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีเลยเนี่ย เพสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องของที่ศาสนาอื่นหรือที่อื่นเขาเชื่อเนาะบางทีมันเป็นเรื่องวัตถุมงคลนะหรือเป็นเรื่องวสยศาสตร์เรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเหนือธรรมชาตินะ <c oughs> คนส่วนใหญ่ก็ไปหลงตรงนั้นกันเยอะแต่เราก็อย่าไปหลงตามเขานะเอ หลายคนก็หลงวัตถุมงคลหลงสิ่งศักติดขอเลขขอเบอร์นะไปกันเยอะมากที่ไหนเขาว่าดีก็ไปนะแต่สิ่งที่เป็นมงคลจริงๆเนี่ยพระเจ้าท่านบอกคือที่จริงก็คือการกระทําของเราเนี่ยแหละการกระทําของเราในการไม่คบคนชั่วนะไม่คบคนชั่วนี่ไม่ใช่ว่าเราลังเกตคนชั่วนะเออ แต่การไม่คบคนชั่วจริงๆอาจจะเป็นเป็นเรื่องคือเราเห็นเขาทำชั่วนะเราไม่ทำตามเขาเนี่ยไม่คบคนชั่วคือแบบนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าเราเราเป็นเพื่อนเขาไม่ได้นะบางคนเขาก็เป็นเพื่อนเรามาก่อนหรือก็เป็นญาติพี่น้องเป็นคนที่เรารู้จักเนี่ยการไม่คบไม่ใช่การ ไม่สูงสิงไม่ข้องเกี่ยวนะแต่จริงคือเนี่ยเขาทำชั่ว เ, ออเราไม่ทำตามเขาเออบางทีเราสามารถเป็นบัณฑิตช่วยเขาได้นะถ้าเขามีความทุกข์ถ้าเขาเดือดร้อนออถ้าเขาต้องการแสงสว่างเออเราก็เป็นบัณฑิตที่จะช่วยเขาได้นะออไม่ใช่ว่าเราหนีหนีจากคนชั่วออแบ่งกันเลยนะ อันนี้คนชั่วก็อยู่แต่คนชั่วอยู่ในคุกอยู่ในตารล่างอยู่ในสังคมของเขาคนดีก็มาอยู่อยู่วัดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ไม่รู้อยแต่วมีแต่คนดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จริงยิ่งเราอยู่วัดนะัเรายิ่งเห็นความหลากหลายนะมีคนหลายประเภทมากนะแต่จริงมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ เมื่อเราได้เห็นค น, นหลายประเภทค น, นหลายอย่างเราก็มันเป็นการฝึกให้เราทำใจนะอย่างพอได้อยู่ที่สุขโตนะได้เห็นเห็นได้ว่าสิที่หลวงพ่อปฏิบัติเนา ะ, ะมีคนเข้ามาหาหลวงพ่อก็เยอะนะหรือคนที่มาที่สุขโตมาอยู่ประจำบ้าง หรือมาช่วงครั้งช่วงคราวบ้างนะก็มีเยอะอแต่สิ่งที่หลวงพ่อท่านท่านปฏิบัตินะก็คือเสมอภาคจะเป็นชาวบ้านนะมาทำบุญทำทานมานะหวังศรัทธาจากหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ก็ยินดีก็ปฏิบัตินะคนที่ มาเพื่อหวังการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนะหลวงพ่อก็แนะนำคำสอนให้หรือบางคนก็มาไม่ได้มีจุดหมายอะไรมากนะมาเหมือนหนีร้อนมาพึ่งเย็นมาเพื่ออยากจะตั้งดักในชีวิตนะหลวงพ่อก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันหรือบางครั้งบางคนทำผิดทำพลาดอะไรไปบ้างหรือบางคน สติสตังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะมาอยู่ที่วัดนะถ้ามีเหลือวิสัยไม่ไปทำร้ายคนอื่นนะหลวงพ่อก็ให้อยู่นะอย่างสมัยก่อนนู้นตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแลมีตาโนวนเลยนะ อ, อก็สติสตังไม่ค่อยเต็มที่นะหลวงพ่อก็เออให้อยู่มีกุติให้อยู่นะนะแต่ก็ไปรากปืนหาปืนเอามาให้แม่ครัว มาทำอาหารแต่ก็มีบางทีควบคุมสติไม่ได้นะก็คือมาตีหัวแม่ทัวก็มีจำนวนนะ่ตะตอนหลังแกก็อยู่ไม่ไดนะ้หรือมีคนบ้านในหมู่บ้านนะอยู่ในบ้านไม่ได้ก็มาอยู่ในวัดน่แหละมาขอข้าวกินมากวาดลานวัดบ้างมาช่วยงานพระบ้างนะมาเหมือนบางทีก็มาทำอะไรที่มัน เดือดร้อนกับคนมาปฏิบัติทรรบ้าง น, นะมาขอเงินขอทองเขาก็มีนะแต่เหมือนแต่หลวงพ่อก็ดูแบบอือก็ช่วยช่วยกันเนา ะ, ะคนนกะ็ช่วยช่วยกันคนมันก็ไม่ไจะ ส, สมบูรณ์แบบไปทั้งหมดก็ช่วยกันก็นะดูแลกันเท่าที่ดูแลได้ไม่ไม่ได้รังเกียจแต่ถ้าเป็นที่อื่นก็ไม่รู้นะก็ อ, อาจจะรังเกียจก็ได้ แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้รังเกียจนะยังจาที่หลวงพ่อท่านพูดได้บางทีอตีคนที่เขาดีแล้วนะเอเขาไปอยู่ที่อื่นก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่คนที่เขายังไม่ดีนะเขามีปัญหาเนี่ยอตีหลวงพ่อก็บอกไม่อยากให้ไปไหนหลกักหลวงพ่ออยากจะช่วยอยากจะช่วยเขาเอาืคนที่เขาดีแล้วเขาอยู่ที่ไหนก็ได้นะแต่คนที่เขายังไม่ดีนะเนี่ย แล้วพ่ออยากจะช่วยเขาอยากจะสอนเขาอหรือบางทีหลวงพ่อพูดแบบอืบางทีคนก็จะรังเกียจคนที่ไม่ดีหรือคนที่เรียกว่าไม่ค่อยเต็มอะไร่างนี้เนาะแต่หลวงพ่อบางทีก็สอนเราโดยทางคาอ้อนถ้าอาจจะไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะไม่ได้บอกว่าเตือนใครหรือว่าเป็นเคสไหนอ่ะแต่พ่อก็จะสอน สอนแบบภาพ ร, มรวมว่าเออหลักการหรือการวางใจของเราเนาะถ้าวางใจแบบนี้มันดีกว่าไหมเช่นหลวงพ่อบอกอืมบางทีคนเขาไม่ดีคนเขาชั่วนะวันนี้เขาไม่ดีนะพรุ่นี้เขาอาจจะดีก็ได้หรือพรุ่งนี้เขายังไม่ดีนะไม่แน่สัปดาห์หน้าเขาอาจจะดีก็ได้สัปดาห์หน้ายังไม่ดีเดือนหน้าอาจจะดีก็ได้นะเดือนหน้ายังไม่ดีก็ ปีหน้าอาจจะดีก็ได้นะปีหน้ายังไม่ดีอาจจะชาติหน้าดีก็ได้นะคือเหมือนบองแบบมีความหวังนะ ม, มีความหวังนะว่าคนทุกคนสามารถที่จะเป็นคนดีได้นะแต่ก็ไม่ใช่ไปคาดหวังไปทุก น, นะประมาณว่าแต่บางทีการคาดหวังคืออะไรเช่นคือเราไปกําหนดเราไปกําหนดปันเดือนปีกําหนดกฎเกณฑ์ตายตัวเช่น เนีเราทําแบบนี้กับเขาหรือนั่นนี่กับเขานะ่เดือนหน้าคุณต้องดีให้ได้หน้าเลยนะพอเดือนหน้าเขาไม่ดีอย่างที่คิดอย่างที่หวังนะก็เป็นทุกข์ใช่ไหมอนะอันนี้คือไปกําหนดแบบตายตัวนะมันก็เป็นทุกขนะ์พอเป็นทุกข์มันก็เกิดความท้อเวนะลาเราทำํทำเวลาทําอะไรไปทีถ้าเราไปกําหนดนกะําหนดผลตอบแทนนะเนะี่ย อย่างที่เราคาดหวังเนี่ยมันก็เป็นทุกข์นะมันก็ท้อเนะี่ยแต่จริงนะการไม่คบคนชั่วจริงๆนะคือการที่เราไม่ใช่เราไม่เกี่ยวข้องกับคนไม่ดีนะแต่เราเนะี่ยไม่เอาความชั่วนั้นเข้ามาสู่ตัวเรานะรวมทั้งความชั่วที่มีอยู่ในตัวเรานี้ก็เหมือนกันนะไม่คบความชั่วไม่คบคนชั่วไม่คบสิ่งที่มันคิดชั่วเนะี่ยอันนี้แหละ การไม่คบคนชั่วเนีงๆอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะคือเวลามาคิดชั่วคิดไม่ดีนะนะเราก็ไม่คบมันนะไม่คบความคิดที่มันไม่ดีเพราะถ้าเราภาวนาจริงๆนะโอ้จริงๆถ้าเราขาดสติเนาะเราก็า จ, จะทําตามความคิดที่มันไม่ดีทําตามอารมณ์ที่มันไม่ดีนะเนี่ยเนี่ยเราครบคนความชั่วแล้วคบคนชั่วละนะ มันมาหลอกเราแล้วนะเพราะจริงเราทุกคนดูดีดีโอถ้าเมื่ อ, อไรที่เราขาดสติหรือสติไม่พอนะโอกาสที่จะหลงทำตามความคิดชั่วๆทำตามอารมณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปได้แหละหรือมีบางคนเ็ากล่าวว่าเหมือนคนเรา เ, เหมือนเป็นระเบิดที่เพียงแค่ว่ายังไม่รอกรันยังไม่ได้ยังไม่ได้จุดชนวนเฉยๆแหละ หรือยังไม่ได้ถอดสลักออกนะแต่คนเราบางทีก็ถ้ายังเป็นปุถุชนยังเป็นคนที่ยังหนาอยู่มันก็เหมือนระเบิดที่มันยังยังไม่ตายด้านนะยังไม่ได้ชอถอดเชนวนนะแต่ถ้าเมื่อไรที่ถอดเชนวนออกนะมันก็พร้อมที่จะระเบิดนะมันก็ไปทาร้ายคนอื่นก็ได้ทาร้ายตัวเองก็ได้เพราะอะไรอืม <c oughs> แต่ที่จริงเพราะเรายังสามารถหยุดเป็นปกติได้หรือทำร้ายคนอื่นไม่มากทำร้ายตัวเองไม่มากเพราะว่าเราเพราะเอามีสติรู้ทันตัวเองเมื่อมันคิดชั่วหรือเมือม่ออารมณ์นั้นแปรปรวนไปนะเรารู้เท่าทันมันเราก็ไม่ต้องทำตามมันนะดูมันแต่บางทีก็มีแหละบางทีก็มีหลงหลงไปทำําความโกรธทำตามความอะไร ความหลงต่างๆก็มีนะอืแต่ให้เรารู้ท่าทันมันให้เร็วๆเนะอะรู้มันได้เร็วเท่าไรนะก็กลับมาได้เร็วเท่านั้นนะความหลงก็สั้นลงเท่านั้นความโกรธก็สั้นลงเท่านั้นเนี่ยการ ม, มีสตคิคือกลับมาแบบนี้กลับมามันหลงไปก็กลับมาคล้ายๆเหมือนชักระเยอยนะเหมือนชักกระเยยคลายๆนะ แต่จะพูดให้ตรงๆจริงๆให้ถูกจริงๆที่จริงมันเป็นมันเป็นการเกิดการดับของแต่ละอารมณ์มากกว่ามันไม่ใช่เหมือนจิตไปแล้วก็ดึงจิตกลับมาแต่ทีเดียวแต่พูดให้เป็นภาพเห็นเป็นแบบนั้นแต่ถ้าพูดเป็นแบบอภิธรรมเลยจริงๆคือจิตมันเกิดขึ้นทีละขณะนะจิตเมื่อกี้มันโกรธปุ๊บเนี่ยเมื่อรู้ทันเนี่ยจิตที่ มีสติมันก็เกิดขึ้นมาแล้วจิตที่โกรธมันก็หายไปแล้วนะมันเป็นคค้ะอันกันจิตที่รู้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งคล้ายๆเหมือนกับเสียงพูดเสียงผมพูดหรือว่าเสียงเครื่องก็แล้วแต่นะที่มันดังเมื่อกี้นะมันก็ดังไปแล้วนะที่ดังตอนนี้ก็ดังใหม่หรือพูดใหม่นะมันมันเป็นมันอาจจะ ออกจากช่องเดียวกันนะแต่มันก็เป็นคนละขณะคนละเวลากันอาการของจิตก็เป็นแบบนั้นแหละนะคำว่าไม่เที่ยงคือแบบนั้นแหละมันไม่เที่ยงก็คือมันแสดงสภาวะให้เห็นอาการเกิดอาการดับนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะอันนี้คือสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นในจิตนะเกิดขึ้นในจิต การทำชั่วก็ดีมันก็เป็นเพียงแค่อาการหนึ่งของเขาหรือเป็นอาการหนึ่งของเราเนี่ยแหล ะ, ะที่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะพขาแก้อะไรไม่ได้แต่ถ้าเราจะแก้ได้ก็คือแก้ที่ตอนนี้นรู้ว่าเผลอทาชั่วเมื่อร่ปุ๊บรู้ตัวหยุดมันเสียเลิกทำเสียเนีเ่ยคือการแก้แล้วคือการหยุดแล้วเนี่ยคือ ตัวเราเองก็เหมือนกันนะเวลาเมื่คิดเวลาเมื่คิดไม่ดีอ้าวรู้ทันแล้วะไม่ได้ห้ามนะพอรู้ทันปุ๊บนะมันจะหยุดการหยุดความชั่วแบบนี้หยุดด้วยความรู้เท่าทันนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการกระทําหรือการพูดแล้วก็ต้องหยุดที่แอคชั่นที่การกระทําหรือทาพูดด้วยนะอไม่ใช่แบบเออเหมือนอย่างที่เมื่อวานที่มีคนถามหลวงพ่อใน ในสีดีอ่ะคือสมมุติว่ารู้ว่าโกรธอยู่แต่ทําตามความโกรธเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าขาดสติใช่ไหมถ้ารู้ว่าโกรธแต่ยังทําตามมันอยู่เนี่ยอันนี้ก็ไม่เรียกว่ารู้จริงๆนะเอหรืออาจจะรู้ล่ะนะแต่สติมันกําลังไม่พอนะก็เลยถูกความโกรธลากไปนะ่แต่ถ้ารู้จริงๆนะมันจะหยุดนะ ความโกรธนั้นก็จะหยุดนะมันก็จะหายไปแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะความอยากแล้วก็เหมือนกันความเห็นปุ๊บนะเห็นจิตมันอยากเข้ามันอยากนี่วานะความอยากก็จะหายไปเลยนะแต่ก็ใช่ว่ามันโกรธหรือมันอยากเนะี่ยมันก็หายนะหายปุ๊บไปกับต่อหน้าต่อตาแต่บางทีถ้ามันมีสิ่งกระตุ้นใหม่นะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใหม่นะเอมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นหรอกนะ บางทีมันก็เวลาเราภาวนาไปบางทีมันคิดบางทีก็มันคิดไปเรารู้ทันคิดมาใหม่อีกเราก็รู้ทันใหม่นบางคนถ้าไม่เข้าใจวางใจผิดก็เอ้อทำไมมันคิดมากคิดซ้ำๆเดิมๆวนๆเวินเวี๋ไปเรื่อยแต่จริงมันก็แสดงความจริงให้เห็นว่ามันเกิดมันดับนี่มันบังคับไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราทำท่ายก็เนี้ยก็แค่รู้มันนั่นแหละนะ ก็ดูมันอย่างที่มันเป็นปุ๊บมันก็หายไปนะแล้วมันก็เป็นใหม่อีกแหละเนี่ยก็ธรรมดานะจิตก็คล้ายๆก า, า, ายนี่แหละนะแต่กายมันอาจจะแสดงอะไรที่เป็นรูปธรรม ท, ที่ชัดขึ้นแต่กายก็แสดงอาการที่มันอาจจะช้าหรือว่านานกว่าจิตน่ยหน่อยแต่จริงมันแสดงอาการคล้ายๆกันนะ เหมือนร่างกายของเราเนี่ยแหละนะบางทีมันก็ปกติบางทีมันก็ไม่สบายนะบางทีก็เนี่ยไม่ปวดบางทีก็ปวดไปเนะี่ยมันก็แสดงอาการเนะี่ยแต่กายบางทีก็อาจจะใช้เวลาเช่นนั่งอาจจะเป็นสิบนาทีขึึนงชั่วโมงนะก็ปวดก็แสดงอาการนะหรือเวลาไม่สบายนะบางทีก็วันนี้สบายดีนะอาจะอาทิตย์หน้า ไม่สบายมเนน่มจิตใจแต่จิตใจมันแสดงอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นเร็วกว่านั้นก็แค่นั้นแหละแต่จริงมันก็เป็นแบบนั้นมันบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดีนมันก็ไม่ดีเดี๋ยวมันก็ปกติเดี๋ยวมันก็ไม่ปกติจิตมันก็แสดงอาการแบบนี้แหละแต่มันจะเห็นได้เร็วมากเห็นได้ถี่มากนมันหายได้มันก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้นะ หมือวันนี้เราเป็นโรคเป็นหวัดนะรักษาไปก็หายนะหรือพักผ่อนสงไหนก็หายแต่มันมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาอีกก็อาจจะเป็นอีกก็ได้อืพราะมันยังมีเชื้ออยู่นะเชื้อข้างในเราก็มีหรือเชื้อข้างนอกนะมันก็มีความคิดหรือกิดเดกก็เหมือนกันนะมันก็ยังมีเชื้ออยู่ข้างใน หรือมันก็มีสิ่งกระตุ้นจากข้างนอกนะเข้ามากระตุ้นเน่ะอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์เช่นนั้นแต่หน้าที่เราเนี่ยพยายามแค่รู้ทันมันรู้ทันมันให้บ่อยรู้ทันมันให้เร็วนะเมื่อไหรที่เราไม่รู้ทันมันจะครอบงำจิตนะแต่เมื่อไหรที่เรารู้ทันนะจิตก็ดูดออกมาจากการครอบงำของอารมณ์นะถ้าเรามีสติเราจะเห็นเลยอ้อจิต นะมันดูดออกมาจากอารมณ์แล้วอารมณ์มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะถ้าเราเห็นอ้อารมณนะ์อารมณ์มันกำลังจะเกิดขึ้นมานะมันจะเข้ามาแล้วแต่ถ้าเรามีสติดีๆนะมันเข้ามาไม่ได้เหนะมือนคล้ายๆเราคล้ายๆน่เหมือนเราเห็นหมาเห็นหมามันจะมาขึ้นบนศาลาปุ๊บนะ <c oughs> เรายืนขวางมาันละเราดูมันละมันกำลังจะเข้ามาแล้ว ทำถ่าดุดุใส่มาแล้วมันไมกล้าขึ้นมาละอันนั้นแบบนั้นแหละจิตก็เหมือนกันนะบางทีอารมณ์มันกำลังจะเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บนะมันหายเลยเนี่ยมันกลัวมันกลัวมันกลัวการเห็นเนี่แหละมันหายไปของมันแต่ถ้าเราไม่สนใจถ้าเราไม่ดูแลจิตนะมันก็จะเข้ามามันจะแอบเข้ามามาย่องตีเนียนอยู่เลยรนะ ถ้าเราก็ไปหลงเล่นกับมันนี่คืออารมณ์ต่างๆเนาะที่มันเกิดขึ้นมาให้เรารู้ทันความชั่วความไม่ดีอารมณ์ความคิดต่างๆมันเอ่ยเข้ามานะยามรู้ทันเมื่อไรที่เรารู้ทันแล้วเราก็อยู่กับเขาได้นะไม่ดังเกียรตเขาแต่เราก็ไม่เป็นแบบเขาน่แหละแต่สิ่งไหนที่เราดีสิ่งที่สิ่งที่ดีเราก็ทำไป นะมันก็เป็นการสะสมความดีนะสะสมเหตุปัจจัยให้เป็นกุศลเพราะการทำความดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลเนะี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความสุขนะนะเมื่อคิดถึงการกระทาที่ผ่านมาได้ทำดีแล้วก็มีความสุขคิดถึงสิ่งที่ทำตอนนี้อ่นะเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะมันก็มีความสุขความสุขเนะี่ยมันเป็น เป็นเหตุให้เกิดสมาธิเนะมื่อเกิดความสุขใจนะความคิดฟุ้งซ่านมันก็น้อยลงนะเกิดความสุขใจมันก็มีสมาธิจิตตั้งมั่นนะไม่ฟุ้งซ่านไม่หวั่นไหวกับอะไรก็มีสมาธินะสมาธิไม่ใช่ว่าเราต้องนิ่งนิ่งสงบนะแต่จริงสมาธิเพราะว่ามันมีความสุขในการกระทามีความสุข ในการได้ทําอะไรต่างๆเนะี่ยมันจะเป็นสมาธิขึ้นมานะถ้าเราเดินนะด้วยความผ่อนคลายด้วยความรู้ตัวเนะี่ยมันก็จะมีความสุขนะมีความสบายนะแต่ก็ไม่ใช่ไปติดนะมันจะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาอมืสบายก็รู้สุขก็รู้นะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมารู้นะมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมารู้นะ นเนีเมื่อไใ่ที่ทําความดีเมื่อไหร่ที่มันจะทําให้จิตมันมีความสุขนะจิตก็จะมีความสงบเข้ามาเองนะมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่ําคาญอะไรมากนะหรือฟุ้งก็นิดๆหน่อยๆนะมันก็จะกลับมานะนะเนี่ยไปสมาธินะแต่ก็ต้องระวังนะสมาธิบางทีก็อย่าไปหลงประคองมันนะมันสงบก็ดีนะก็อย่าไปประคองนะ อย่าไปพยายามรักษามันแบบกลัวมันหายนะหรือกลัวมันจะหลงไปอย่านี้เนาะสมาธิต้องระวังอย่าไปประคองอย่าไปรักษานะสมาธิก็เพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมานะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะก็อย่าไปอยู่กับเขานะก็มีสติไปเรื่อยในการกระทำนะในการเดินในการทำงานนะ สมาธิมากสมาธิน้อยไม่เป็นไรนะแต่ให้เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่นั่นแหละสำคัญที่สุดนะรูว่าการอะไรจะเกิดขึ้นมากับกายกับใจนั่นแหละสำคัญที่สุดนะสมาธิตอนนี้คือการรู้การตั้งมัน่นในการเห็นเนะี่ยอย่าไปหลงประคองมันอย่าไปหลงรักษามันอย่าไปทำแบบเคิมๆเนะี่ยอย่าไปทำแบบจ้องจ้อง นะอย่าไปทำแบบประคองนะนะให้ทำแบบสบายๆนะทำแบบสบายๆนะถ้าทำแบบสบายมันจะพอดีมันจะผ่อนคลายมันจะเป็นธรรมชาตนะนะิด้านกายก็เป็นธรรมชาติจิตใจก็เป็นธรรมชาติอันนะี้คือก็ภาวนา ก, ก็ทำแบบนี้เนาะนะแต่ส่วนอย่างอื่นที่เป็นมงคล ถ้าเรามีโอกาสได้ทำอะไรเราก็เราก็ควรทำนะนะกเราก็ควรทยไม่ควรที่จะบางอย่างมันเป็นหน้าที่นะบางทีหน้าที่มันก็มาคู่กับคาว่าภาระเนาะเช่นเรามีพ่อแม่แก่เท่าไม่สบายนะมันก็เป็นหน้าที่ของลูกของเราที่ต้องดูแลนะมันก็เป็นหน้าที่ที่เป็นภาระที่เราต้องรับผิดชอบนะ เราก็อย่าไปคิดว่าไปอยากไผพักใส่ภาระนั้นให้กับคนอื่นหรือเราปฏิเสธเลยมันก็ผิดนะชีวิตก็ไม่เป็นมงค ล, ละ่ะเอหรือถ้าเขาตายไปแล้วก็เสียใจภายหลังว่าเราไม่ได้ทําอย่างนั้นอย่างนี้บางคนมีมีหน้าที่มีภาระแต่ถ้าเราตั้งใจทําหน้าที่นให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นแล้วก็วางใจให้ถูกว่า เรอาอก็ทำเต็มที่นะหรือเจอสิ่งกระทบอะไรต่างๆนะเราก็เรียนรู้กายใจของเราในขนาดนั้นแหละนะมันก็เป็นวิชากรรมฐานในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะ เ, ออเราก็จะได้ประโยชน์มากแต่ถ้าเรารู้สึกว่าหน้าที่นี้ภารานี้เราไม่อยากต้อรับผิดชอบนะเราก็จะหนีแล้วก็ยําที่จะทับใส่ไปเนี่ยมันก็คือ มันก็ผิดแล้วนะหรือขณะที่ทาก็ทำด้วยความทุกข์ทำด้วยความทนไม่อยากทำเลยเนะี่ยมันก็ผิดแล้วนะแต่ถ้าเราเต็มใจทำนะเต็มใจทำเนะี่ยทำหน้าที่ทำงานที่เราต้องเกี่ยวข้องนะแม้จะทุกข์ตายบ้าง น, นะแต่เราก็จะได้ความสุขใจเข้ามาแทนที่ว่าได้ทาหน้าที่เนะี่ยอย่างดีที่สุดแล้วนะหรือบางทีมันก็มีสิ่งกระทบมาแหละนะ เวลาเราทำงานก็ต้องมีความเหนื่อยมีปัญหาเนะี่ยหรือเราเกี่ยวข้องกับคนก็ต้องมีการความคิดเห็นแตกต่างกันนะหรือเกี่ยวข้องกับคนป่วยเกี่ยวข้องกับอะไรต่างต่างก็ต้องมีอารมอย่างอื่นเข้ามากระทบบ้างแต่เราก็พยายามวางใจในการเรียนรู้ดูอารมณ์ของตัวเองนี่แหละนะมีสิ่งกระทบขึ้นมาแล้วใจเป็นอย่างไรนะรู้ทันไหเนี่นะ นี่ครับเรามาเรียนรู้ตรงนี้แหละมันจะเก่งก็ตรงนี้เก่งที่เห็นนะพอมันกระทบปุ๊บนะเห็นเห็นว่าเป็นแบบไหนนะเป็นปกติหรือไม่ปกติเนะี่ยมันจะเก่งจริงๆตรงนี้นะแต่ถ้าบางทีอยู่เฉยๆนะไม่รับผิดชอบอะไรไม่ทำอะไรแล้วก็สงบสบายบางทีก็อาจจะไม่เก่งจริงก็ไดนะ้จะเก่งจริงก็ตอนเมื่อรู้ว่าเวลาทำงาน หรือมีการกระทบแล้วนะเป็นแบบไหนนะนนี้ก็คือ <c oughs> มันก็ไย้ประโยชน์นะเราทำงานก็ดีเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ดีนะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนั้นพระพจทเจ้าท่านก็เนี่ยแหละให้เราให้เราดูจัดเกี่ยวข้องเนาะนะเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้อง ก, กับการงาน เราทั้งเกี่ยวข้องกับตัวเราเองเนี่ยแหละนะถ้าเราเกี่ยวข้องเป็นนะนะเราก็จะเข้าใจอ้อที่จริงธรรมะมันก็มีอยู่ในทุกผลทุกแห่งจริงๆนั่นแหละนะอนะธรรมะที่แสดงในตัวเราก็ดีที่แสดงกับคนอื่นก็ดีธรรมะที่อยู่คนเดียวก็ดีธรรมะที่อยู่กับคนอื่นหรืออยู่กับการงานก็ดีนะทุกๆอย่างก็ล้วนสอนธรรมะของเราทั้งนั้นนะ ธรรมะก็คืออะไรคือการแสดงความจริงให้เราเห็นนั่นแหละเนะี่ยความจริงให้เห็ น, นแสดงอาการเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งเกิดขึ้นมานะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะอนะเหมือนกับร่างกายแสดงความจริงให้เห็นนะ่ะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะอืมันะนะนะก็เช่นเรากินข้าวก็อิ่มก็าพับไปก็หิว ก็ต้องกินใหม่หายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกใหม่เหมนะือนน่ะอารมณ์ก็เหมือนกันก็มีเกิดมีดับนะเหมือนเหมือนกันเลยเนี่ยเขาแสดงให้เห็นนะนะเราก็ดูกันไปนะถ้าดูได้ทีนะ่เฉยเนี่ยดีที่สุดนะหรือถ้าบางทีก็เผลอไปเป็นบ้างอ่ะก็ปล่อยก็วางมันให้เร็วที่สุดตรงนี้นะการมีสติเนะี่ยทำให้เราปล่อยให้เราวางนะ การปล่อยวางนะทั้งบวกทั้งลบนะอไม่ใช่อยากจะปล่อยแต่ด้านลบด้านไม่ดีนะด้านบวกก็ต้องปล่อยเหมือนกันนะปิติสุงบอะไรเนี้ยก็ปล่อยนะแค่รู้ทีละขณะไปนะด้วยอาการธรรมชาตินั่นแหละถนะือว่าเราได้ได้ทําหน้าที่ของเราเนาะได้ทําหน้าที่นะ ก, ก็ก็ฝากไว้ครับ